การมาวัดเนี่ยถ้าเรารหลาดนะเราก็จะได้ประโยชน์หลายอย่างจากการมาวัดไม่ใช่แค่มาทำบุญแต่ว่ายังสา ม, มารถจะได้สัมผัสกับความสงบโดยเฉพาะวัดที่มีความร่มรื่นมีต้นไม้ให้ร่มเงาหรือบางคนเนี่ยก็อาจจะ ได้รับความสงบใจนะจากการที่ไปนั่งพักใจนะในโบสถ์ในวิหารได้เห็นพระพรักของพระพุทธรูปนะที่สงบก็อาจจะเกิดความปิติปราโมทยนะ์แม้จะเป็นเพียงแค่ชั่วขณะหรือบางคนก็อาจจะได้มีโอกาสทำกิจกรรมกับผู้คนซึ่งก็อาจจะกลายเป็นมิตร หากว่าวันนั้นมีกิจกรรมที่สามารถจะให้คนได้มาร่วมทำอย่างสม่ำเสมอที่ยิ่งสมัยก่อนเนี่ยนะชาวบ้านก็มาฟังธรรมทุกวันพระไม่ได้แค่ได้ทำบุญถวายทานไม่ใช่แค่ฟังธรรมแต่ว่าได้พบปะผู้คนนะได้มิตรได้เพื่อนฝูง หรือว่าได้มาปรับทุกผูกมิตรกันเนะี่ยอันนี้มันเป็นประโยชน์นะในทางโลกก็ว่าได้ไม่ใช่แค่ปลือยนในทางธรรมนะเป็นปรโนืโอนในทางโลกในความหมายที่ว่าทำให้นะมีชุมชนมีหมู่มิตรนะที่ช่วยเหลือเอื้อเฟื้อกันอันนี้มันก็ส่งผลในทางจิตใจด้วย และถ้าเกิดว่าทำสม่ำเสมอมันอาจจะมีผลนะในการทำให้อายุยืนได้นะอย่างน้อยๆเนี่ยก็ทำให้ไม่อายุสั้นนะมันมีความเจ็บป่วยนะถ้าจะใช้คำว่าเจ็บป่วยนะที่ทำให้ผู้คนล้มตาย ความตายที่ว่าเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นความตายที่เกิดจากความผิดหวังอันนี้ก็เป็นคําใหม่นะความตายที่เกิดจากความผิดหวังเนี่ยมันครอบคลุมถึงความตายสามประเภทนะตายเพราะเสพยามากเกินไปตายเพราะติดสุรานะกินเหล้ามากจนกระทั่งป่วยเป็นมะเร็งหรือว่า เป็นโรคนานาชนิดรวมทั้งโรคที่เกี่ยวกับหัวใจและสมองรวมทั้งการฆ่าตัวตายเนี่ยอันนี้เป็นเดีย๋ยวนี้มีคนจัดกลุ่มนะว่าการตายเพราะสามสาเหตุเนี่ยเรียกว่าตายเพราะความสิ้นหวังหรือตายเพราะความหมดหวังซึ่งมันก็สัมพันธ์กันนะคนที่ฆ่าตัวตายเนี่ยก่อนจะฆ่าตัวตายก็จะ กินเหล้าอาจจะเสพยาแล้วพอถึงจุดหนึ่งก็ไม่ไหวก็เลยฆ่าตัวตายกรนีเนี่ยมันมีปรากฏการณ์หนึ่งนะในอเมริกาเนี่ยเขาพูว่าในช่วง30ิปีที่ผ่านมาเนี่ยคนที่อยู่ในวัยกลางคนผิวขาวตายเพราะความผิดหวังเนี่ยหรือตายเพราะความสิ้นหวังเนี่ย เยอะมากเนะี่ยก่อนหน้านั้นเนี่ยตัวเลขเนี่ยของคนที่ตายเพราะความสิ้นหวังเนี่ยมันตกลงนะมันก็ค่อยลดลงไปเรื่อยๆลดลงไปเรื่อยๆแต่พอถึงช่วงปีสักพันเก้รเก้าสิบเนี่ยหรือเมื่อสามสิบปีที่แล้วเนี่ยคนที่ตายเพราะความสิ้นหวังเนี่ยนะมันเพิ่มสูงขึ้น เส้นกลรามนี่มันมันชันขึ้นเลยนะเขาก็สงสัยเป็นเพราะอะไรเป็นเพราะว่ายาเสพติดมันแพร่ระบาดหรือเปล่าซึ่งก็มีส่วนนะเพราะว่าช่วงนั้นเนี่ยมันมียาที่เขาใช้อ้างว่าบรรเทาปวดบรรเทาปวดอย่างช ง, งั้นเลยแต่บอว่ากินไปกินไปกลายเป็น ติดยานี้เพราะว่ามันมันมีสารเสพติดนะจนกระทั่งตายนะเพราะยาเสพติดแต่ว่าเขาก็ต้องการศึกษาให้แน่ใจว่าเนี่ยอคนที่ตายเพราะความสิ้นหวังเนี่ยเป็นเพราะติดยามากหรือเพราะมีความทุกข์มากจนกระทั่ง เข้าหาเล่าหรือว่าค่าตัวตายแล้วเขาก็พบว่าในรัฐเนี่ยนะในรัฐที่ผู้คนเนี่ยเข้าโบสเป็นประจำรัฐไหนเนี่ยที่คนเข้าโบสเป็นประจำทุกวันอาทิตย์เนี่ยถ้ามีมากเนี่ยคนผิวขาวที่อยู่ในแวลางคนเนี่ย แล้วค่าตัวตายมันจะลดลงมากเลยในทางตรงข้ามนะรัฐไหนเนี่ยนะที่คนไปเข้าโบสน้อยนะทุกวันอาทิตย์เนี่ยคนที่ตายเพราะความสิ้นหวังเนี่ยมันก็จะเพิ่มสูงขึ้นนะอย่างสอดคล้องกันคือในอเมริกาเนี่ยนะมันก็มีธรรมเนียมนะ ว่าเข้าโบสถ์ทุกวันอาทิตย์นะคนที่นับถือาศาสนาคริสต์เนี่ยนะก็คล้ายกับชาวพุทธเรานะสมัยก่อนเนี่ยก็มาฟังพระเทศหรือเข้าวัดนะทุกวันพระแต่เขานี่ทุกวันอาทิตย์นะอันนี้เนี่ยเขามีวิธีสังการสังเกตนะว่าทําไมเนี่ยถึงสรุปแบบนี้วิธีนึ่งก็คือว่าศึกษาหรือเปรียบเทียบระหว่างรัฐเนี่ย ที่เขามีการยกเลิกนะกฎหมายฉบับหนึ่งนะคือมันมีกฎหมายฉบับหนึ่งในอเมริกาว่าวันอาทิตย์เนี่ยให้หยุดค้าขายนะไม่มีการเปิดร้านค้าเพื่อคนจะได้ไปเข้าโบสถ์ตอนหลังเนี่ยบางร้านเนี่ยเขาก็ยกเลิกกฎหมายที่ว่าก็คือเปิดนะ เปิดร้านเปิดห้างได้แม้กระทั่งวันอาทิตย์นะซึ่งก็มีผลทําให้คนเนี่ยเข้าโบวดน้อยลงก็เปรียบเทียบระหว่างรัฐที่มีการยกเลิกกฎหมายที่ว่าเนี่ยกับรัฐที่ไม่มีการยกเลิกแล้วเพราะว่ารัฐที่มีการยกเลิกกฎหมายนี้เนี่ยคนที่ตายเพราะความสิ้นหวังจะสูงขึ้นเพราะอะไรเพราะว่า ไม่ค่อยได้ไปโบสถ์ละนะไปเที่ยวห้างท่าหรือไม่ก็เจ้าจุกอยู่ที่บ้านตัวรัฐที่เขาไม่มีการยกเลิกกฎหมายที่ว่าเนี่ยก็หมายความว่าคนก็จะเข้าโบสถ์มากขึ้นหรือว่าเป็นประจำเพราะว่าวันอาทิตย์มันไม่มีร้านค้าเปิดนะก็ เ, เปรียบเทียบสองรัฐนี้แล้วพบว่ามันมีความแตกต่างกันชัดเจนเลยนะรัฐที่ส่งเสริมให้คนเนี่ย เข้าโบเนี่ยนะคนจะตายเพราะความสิ้นหวังเนี่ยน้อยแต่รัฐที่ไม่ส่งเสริมให้นคนเข้าโบเนี่ยคนจะตายเพราะความสิ้นหวังมากแั้นเเลยคิดก็ เ, เลยสูบว่าเนี่ยการที่คนเราเนี่ยได้มีโอกาสมาโบสถเป็นประจำทุกวันอาทิตย์เนี่ยมันมีส่วนช่วยช่วยบรรเทาความทุกข์ในจิตใจของผู้คนเพราะว่ามีเพื่อนมีชุมชนนะรืว่ามีสังคม ความสัมพันธ์ที่นั่นแฟนเนี่ยแม้จะไม่ใกล้ชิดนักเนี่ยแต่มันก็มีผลในการทำให้คนมีความรู้สึกมีจิตใจดีขึ้นมีความทุกข์ก็มีคนที่จะฟังรับรู้ความทุกข์นะหรือว่าช่วยเหลือเกื้อกูลกันเมื่อเฟื้อแบ่งปันกันก็ทำให้ความคิดที่จะฆ่าตัวตายเนี่ยมันลดมันลดลงหรือพูดง่ายคือความทุกข์ในจิตใจมันบรรเทาลง ตัวไม่เลือกที่จะฆ่าตัวตายอันนี้เขาก็เลยนะเป็นข้อสรุปว่าเนี่ยการที่คนเราเนี่ยเข้าวัดเป็นประจำเนี่ยนะมันมีส่วนช่วยทำให้จิตใจคนเนี่ยดีขึ้นมีความทุกข์น้อยลงจนกระทั่งนะไม่คิดที่จะฆ่าตัวตายแต่ถ้ า, าว่าไม่มีกิจกรรมอย่างที่ว่าเนี่ยความทุกข์มากท้ายก็หาทางออกด้วยการจบชีวิตตัวเอง แราวพบว่าเนี่ยเพียงแค่ความศรัทธายังไม่พอนะเพราะว่าคนที่สวดมนต์อยู่ในบ้านเนี่ยอันนี้ไม่มีผลนะไม่มีผลในการที่จะช่วยบรรเทาความทุกข์ได้ดีเท่ากับการที่ได้มาโบสนะแล้วก็ได้ทํากิจกรรมได้มีมิตรมีสหายนะเป็นประจําสม่ําเสมอทุกอาทิตย์แล้วก็มีการวิจัยที่แห่งหนึ่งนะในอังกฤษนะบุคลาการสุขภาพเนี่ยนับแายคนเลยนะถ้าไปบสถสม่ําเสมอเนี่ย การที่จะป่วยเป็นโรคร้ายหรือฆ่าตัวตายเนี่ยก็น้อยลงเพราะนั้นเนี่ยอันนี้ก็เป็นอันที่สองประการหนึ่งนะของการมาโบสถ์นะถ้าเป็นบ้านเมืองเราก็คือถ้าเรานะมีกิจกรรมสม่าเสมอที่วัดนะมันก็จะช่วยได้และมันก็มีผลต่อจิตใจมากกว่าการทำกิจกรรมในทางโลกหรือในสถานที่ที่มันเป็น สมาคมนะหรือว่าหน่วยงานอันนี้ผลทางจิตใจมันจะน้อยกว่าการที่ได้มาทำกิจกรรมร่วมกันสม่ำเสมอเนี่ยในในวัดนะซึ่งก็มีวัดหลายวัดนะที่ผู้คนนิยมเนี่ยเพราะว่ามันตอบสนองนะประโยชน์ด้านนี้คือช่วยบรรเทาความทุกข์จิตใจในจใจได้